ออวันนี้ท่านทั้งหลายทั้งพระทิสุได้สามนญีนทั้งหลายจงตั้งใจฟังวันนี้เป็นวันที่พระจะถาคตทรงอนุญาตให้พวกเราจําพรรษาในการผลเพราะว่าการนี้ ไปที่ไหนไม่สะดวกมีน้ำนะมีเปลือกศมจะไปสดงที่ไหนก็ไม่สะดวกอันนี้พระพุทธองค์ท่านทรงอนุญาตให้จำบรรษาในสมัยก่อนข้างพุกาลนั้นมีภิษุสามเณรทางหลาย เดินไปทุกทิดทุกทางยัง ม, มีการจำพรรษาเติดอันตรายคือไปเดินผ่านคันนาหรือทุ่งนาของชาวมนุษย์ทั้งหลายให้เกิดความเดือดร้อน น, นั้นเป็นเหตุฉะนั้นมีประชาชนทั้งหลายมาทูลพระพุทธเจ้าพระประงค์จึงตรงัสให้พระคิุสัมมาเนมจำพรรษาในการผลเพื่อให้อยู่เป็นที่อย่างวันนี้กอเป็นการผล พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นบูดิสัทของพระพุทธเจา้าพมาาคารอบในพระพุติ้าจึงได้นำปฏิมีอันนี้มาประพฤทธปฏิบัติตามให้จำพรรษาารจำพรรษาความหมายความว่าที่ไรบเิ่งวาจาไป ด้วยภาษามคตนั้นก็หมายความว่าให้เราจำพรรษาในที่นี้สามเดือนมีขอบเขตเอากำแพงเป็นเีตถ้าอารุณ์ยังไม่ได้อารุณห้ามออกจากเขตกำแพงนี้ออกไปถ้าอย่างนั้นพรรษาขาด การดูจานภาษานี้อยู่ที่นี่จะต้องจำภาษาในที่นี้ขึ้นการผลนี้ที่ระเป็งนวาจานี้มีความหมายอย่างนั้นวัดตแต่งนี้เอากำแพงเป็นขอบเขตการออกวิญธาตอนเช้าก็ให้มีอรุณได้อรุณเจกาสอนทิ้งผ่านประตูวัดออกไป การนี้เป็นการที่พวกเราทางลายมีโอกาสจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามความปรารถนาของเราเรามีโอกาสแล้วทุกท่านมาจากสถานที่ต่งางๆนอนกายนอจิตมาเพื่อจะประพฤติปฏิบัติธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้ว จงให้ตั้งใจปฏิบัติในภรษาหนี้ให้สำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายให้ตามเจตนาหมายของพระธานตั้งร้ายข้อวัดมีหลายอย่างที่ที่พวกเราจะประพฤติปฏิบัตินั้นพันธนาไม่ทวนพระพุทธองค์ท่านตรัสย่อว่า ที่สือทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้เกิดขึ้นเป็นคำพูดน้อยแต่มีความหมายกว้างมากที่สุดแต่ความประมาทที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนั้นไม่ให้ประโยชน์แก่เราไม่ให้ประโยชน์แก่เพื่อนจารยธรรมทั้งหลายด้วยทุกทิศทุกประการถ้ามีความประมาทแล้วนั้น่ะ กระพดใ้ใจท่านโมเป็นคนตายเหมือนกับคนตายทึ้งมีชีวิตอยู่เหมือนกับคนตายไม่มีทางที่ที่ประโยชน์จะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นพวกพิสุสัมมณีทั้งหลายเราขึ้นทราบในปัญญานี้มีโอกาสว่างจำเป็นจะต้องจัดข้อวัดปฏิบัติธรรมะ ของเราให้สูงขึ้นกว่าปกติเดิมเขบในภาษานี้เราประกันตั้งใจประพุชปฏิบัติให้กลมเคลียวกันการประชมุมทั้งหลายนั้นคอ้พร้อมเพียงกันประชมุมเมื่อเลิกประชมุมก็พร้อมเพียงกันเลิกทุกอย่างเมื่อมีขิดสูงอะไรจะเกิดขึ้น อันสูงควรแก่สูงที่จะต้องทำขอช่วยกันทำคนละไม้ละมือให้มันสำเร็จไปได้ความยุ่ยงเหยิยงของพอเราทั้งหลายนั้นมันก็มีอะไรมากมายมีจิตสงเกิดขึ้นบางครั้งแต่ในภาษานี้จิตภายนอกมันก็น้อยเป็นทีมีจิตที่จะพึ่ปฏิบัติธรรมะนั้นมากกว่า และทีนี้ความตั้งใจของผมนั้นตั้งใจมาเป็นไปอยู่เมืองนอกยิดถึงสำนักพวกเราทั้งหลายนั้นเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นยังมีการปกข้องนายประกาน ทุกปีที่เป็นมาไม่ค่อยสะดวกปีนี้พระเนีนน้อยแต่ก็เป็นพระใหม่เนีนใหม่เสโดยมากแลือก็ปรกการสั้ง อ, อกสั้งใจอยากจะปฏิบัติธรรมศ ส, สามประการที่ผมเล่าให้ฟังบ่อย เช่นท่านเรียกว่าอปันนัสตาปฏิปทาคือข้อประพฤติปฏิบัติไม่ผิดถ้าใครปฏิบัติแล้วไม่ผิดพระพุทธเจ้าทรงแนะนำอย่างนั้นว่าไม่ผิดถึงแม้ว่ า, ร า, าเราพิจารณาแล้วก็ไม่มีการผิดนีแต่จริงถูกต้องเช่นนั้น เพิข้อหนึ่งข้างอยีากว่าอินทรีสังวรสังรวมอินทรีหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาที่เห็นโูปฟังเสียงดงิ่นริมรถโวดภพา ร, ร, ม ร, มรู้รมอารมด้วยใจนี้หมายความว่าให้พวกเราตั้งอยู่ในจริยวัดอันดีงามสมกับ สมณะผู้หาความสงบอินทร์เครื่องหมายถึงเครื่องเป็มใหญ่ในจิตของตนเต็มตาหูจมูกลิ้ตกายจิตอินทร้งงกนี้ก็ต่างเต่ลสิ่งแต่ละอย่างนี้ก็เป็นใหญ่ในจิตของมัม น, ท, น, น, น, น, นทั้งนั้นเต็มตา มันก็เป็นใหญ่ในการที่จะเห็นรูปหูนั้นมันก็เป็นใหญ่ในการที่จะฟังเสียงจมูกนั้นมันก็เป็นใหญ่ในทางที่สีสูดดมนิ้นหอมกลิ่นอื่นมันก็เป็นใหญ่ในทางที่จะรู้รสเลี่ยวหวานมันเป็น ตายมันก็มีหน้าที่ที่จะสัมผัสถูกต้องของร้อนของเย็นของนิ่มของนวลอันนั้นเป็นหน้าที่ของตายจิตนั้นก็เป็นหน้าที่ที่จะรู้ธรรมารม เกิดขึ้นสกตินีเรียกว่าอินทรีย์สังวรสังรวมอินทรีย์หกการสังวรสังรวมนี้เมื่อเรากล่าวแลกวก็มีสองประการหนึ่งการสังรวมภายนอกสิ่งตาหูจมูกฟิ้นกายกิตของเรานั้น ตาท่านให้พยายางยามสำรวมแต่ก็ระวังด้วยการสังรวมระวังการสังรวมอย่างการระวังอย่างบางทีสังรวมเฉยๆไม่ระวังเื่นผมมีเพื่อนองค์หนึ่ง เป็นผู้สังรวมเป็นผู้สังวรแต่ไม่ระวังเคยเดินไปยินธรว า, า ด, ด้วยกันท่านก็มองที่ปลายเท้าของท่านดีๆไปไม่สังรวมและไม่สังรวงรวและไม่สังรวมพิจารณาดูว่าทางนี้มันจะไป ท, ทางไหน เราจะไปทางซ้ายย้วอไปทางขวาท่านก็ไม่คิดยุตัการทั้งรวมเรื่องไอ้อความระวังม่มีอน่็เลยเป็นเหตุางทีต่อทางที่มันแวะเขา้าขอบโคเขาขอแวะเขาไปไปบอ่อน้าขอแวะไปเพราะท่านไม่ระวัง สังวออนนนนรมงวมเฉยอันนี้เป็นต้นอันนี้เราจะมีปัญญาในสังวรม่กัสังวรวมด้ยอันนีน้เป็นต้นการสังวรสังรวมระวังขึ้นวลาเดินไปในบ้านทรเวลา ตาจะต้องทำงานดูโน่นดูนี่เป็นธรรมราแต่ต้องระวังเมื่อไปมองเห็นสิ่งที่มันเกิดความ ย, มาย่มใจเช่นผู้หญิงเป็นต้นถ้าเรามองเห็นเนี้ยมันเกิดความย่มใจขึ้นมาหรือหากว่าเราฟังเสียงผู้หญิงอย่างนี้เป็นต้น เรากอสังวว่าแล้วอสังรวมมาพิจารณาได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้โผฏฐาตธรรมรมมาแล้วพอมาสังรวมว่าอันนี้มันเป็นอะไรว่าอันนี้มันเกิดมาจากอะไรมันมีผลประโยชน์อย่างไรให้รู้จักว่า นี่อย่ว่าเราต้องสังรวมเอามาพิจาาดูทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งจะ่เ้ชอบใจก็าตามไม่ชอบใจก็าตามสารพัดอย่างเราก็มาทำลายมันเพื่อให้มันเป็นไปตามสภาพของมันรูป ก, ก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีโผฏฐัพะก็ดีธรมารมก็ดี รวมรวมรวนเป็นอนิจจังร่วนเป็นโท ข, ขังร่วนเป็นอนัตตาทังนั้นไม่มีอะไรจะเป็นของแน่นอนมันแน่นอนก็คือมันเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นนี่ด้วยว่าการสังรวมภายในการสังรวมภายนอกก็คือเรามองออกจากตัวเราเพียงประมาณสี่อกเป็นต้น สังรวมภายนอกเมื่อเรารืมตามองไปเห็นสภาพอันใดอันหนึ่งซึ่งมันเป็นปฏิปักษ์ต่จอจิตใจของเราแล้วเราก็รีบกลับมาทันทีสั้างที่สองนั่นก็ไปมองซ้ำเข้าไปอีกในที่อันนั้นนั่นท่านเรียนว่าภูมิความเอื้อเฟื้ออยู่ไม่ปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของนั้น ท่านเรียกว่าผู้สังวรสังรวมผู้ที่เห็นลูกเสียงสีนสดพุทธประธรรมอารมณ์แล้วนั่นปล่อยไปตามอารมณ์อนั้นนั่นคือคนที่ไม่สังวรสังรวมเป็นต้นถ้าหากว่าปล่อยไปตามอารมณ์เช่นนั้นมันก็ไม่สื่นปัญญา มันไม่มีทางที่จะสิ้นจบลงไปในรูปเสียงกลิ่นรสปุถะธรรมรมนั้นเราอาจจะไม่ไเห็นโทษของมันอาจจะไม่รู้โทษทิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อไปรู้โทษทิ่งทั้งหลายเหล่านั้นใจเราก็เพลนไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามปุถะธรรมรมนั้นหยิบใจเราก็ไม่สงบไม่เป็นสมนา เมื่อจิตใจไม่สงบทากรรมาฐานก็ลำบากปพิท ธ, ธรรมะก็ลำบากเพราะไม่ถูกแนวทางมันอันนี้ข้อหนึ่งท่านจีงเรียกว่าให้สังวรสังรวมอินทรีย์หกตาหูจมูกลิ้นกายใจพ้นจากตาหูจมูกลิ้นตายยังมีธรรมารมที่บังเกิดกับใจ ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินจมูกไม่ได้กลินรีมไม่รีมรสตายไนสู่ต้องโภตาภาอะไรแต่ว่ามันมีความรู้สึกขึ้นภายในจิตอันนั้นเรียกว่าธรรมารมเมื่อธรรมารมมันได้เกิดขึ้นมาเรียกร้อเราต้องรู้จักบางทีมันคิดตายใปทางโลกเขามีธรรมารมเกิดขึ้นเฉย ไม่สัมผัสทางตาหูจมูกม้นตไยแต่ใจมันเกิดขึ้นที่ใจนั้นอารมณ์เกิดขึ้นที่จิตมันอาศัยปัจจุบันทําอันนั้นหรือมันอาศัยอดีตอันนั้นเป็นต้นเกิดขึ้นมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันนี้ให้มันเท่าทันดวงหิตของเจ้าของว่ามันรับรู้อะไรมาที่มันรู้มานั้นคืออะไรให้มันรู้จกัก แล้วก็มันเกิดความชอบใจขึ้นไม่ชอบใจขึ้นเพราะอะไรอะไรเป็นเหตุเป็นต้น<ม><ม>และเราก็รวมลงทมทั้งสามประการแค่ว่ารูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีโนสปะธรรมรูกตดีมันจะไปมันจะไม่พ้นไปจากอนิจจังทุขังอนัตตาทั้งนั้น อันนี้จังทุกขังอัตตานี่ครอบทั้งหมดทีเดียวเราจะเห็นโทษมันอันนี้จังทุกขังอัตตานี้แหละเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาถ้าเรามองดูให้ชัดเจนลงไปแล้วมันจะสูกหรือทุกข์ชอบใจไม่ชอบใจทั้งหลายก็าตามเถอะถ้าเราก็เห็นว่า นี่มันจัจจะว่าเป็นเรื่องอนิจจังสุกขังอริยตาเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นฐานไม่มีอะไรเป็นตามความจริงอย่างนั้นสัจจอว่ามันรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วมันก็หายไปหายไปแล้วมันก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่ก็หายไปมันก็มีเท่านั้นมีแต่ความรู้สึกเท่านั้นไม่มีอะไรคืนไปกว่านั้นอีก เมื่อเราตีน่าเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วเห็นตามความจรีงเช่นนี้ปัญญาเรา เ, าเกิดเรื่องอะไรอะไรทั้งหมดก ร, ระวนระวายเป็นของไม่แน่นอนทั้งนั้นไปในในทานองอันนี้จิตใจของเราก็มีปัญญาปัญญาเกิดขึ้นที่จิตเมื่อปัญญาเกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมันเห็นเป็นต้นมันก็แก้เพราะปัญญาอยู่ที่จิตไม่ไปอยู่ที่อื่น ทำให้ปัญญาเกิดเคลนที่ผิดผิดเป็นผู้รับพู้ธรรมารมณ์เกิดขึ้นมาแล้วอก็ทิ้งลงไปในสามอย่างคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่อยไปส้อันนี้อาศัยให้ปัญญาเกิดขึ้นมาเดียวแล้วก็เห็นโทษในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในกุตตะทำมารมและมันเกิดความไม่ยินดีไม่ินร้าย ข้งแรกนั้นมันก็เกิดความยินดียันได้ทุกคนเว่าเราพิจารณาบ่อยๆทาให้มากเข่งให้มากมี่เจรณาให้มากในที่นั้นในรูปนั้นในเสียงนั้นในกลิ่นนั้นในรสนั้นอุปสระนั้นธรรมารมณ์นั้นเป็นต้นปัญญามันก็เกิดมันก็พยายามเห็นโทษสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นตามเป็นจริง ว่าเห็นโทษจริงทั้งหลายแล้วนั่นจาเป็นจริงแล้วจิตของเรานั้นอไม่มีหน้าที่ที่จะมีอํานาจที่จะไปยึดจริงทั้งหลายเรานั้นไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนเลยอันนี้ก็เรียกว่าความสงบเกิดขึ้นแล้วจิตจะมีความเบื่อหน่ายคลายความตําหนัดจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนี่จิตเราก็สงบแล้วมีปัญญาแล้ว อันนี้ปฏิบัติเช่นนี้ท่านเดกว่าอปปนสคปาติปฏิปัต า, านีข้อปฏิบัติไม่หิดก็เป็นธรรมร า, าเบื้องแรกเรามันก็ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโสดาบัะธรรมรมณ์ถ้ามนันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาก็มีมที่ที่จะประพฤติปฏิบัติอันนี้ได้อารมณ์มันนี้ก็บีบว่าเรามีโอกาสดีแล้ว ที่ราจะให้ปัญญาเราเปิดพิจารณาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ต่อไปเป็นปฏิบั ต, ติตก็จริงแต่ว่าเพอเราเห็นโทษมันแล้วมันก็ช่วยเราเป็นผู้สร้างบารมีเราอย่างนี้อันนี้ข้อหนึ่งข้อที่หนึง่งข้อที่สองนั้นเคยกล่าวบ่อยว่า โคชนมะตัญยุตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแต่พอควรไม่ใช่ไม่ให่มากไม่ให้น้อยเราฟังดูให้มันดีๆไม่ช่้นว่าท่านไม่ใช่ว่าท่นทานจีบขั้นไม่ให้เราฉันขั้นให้เรารู้จักประมาณต่างหากรู้จักความเหมาะสมตัางหากรู้จักความพอดีตั้งหาก ถ้าหากว่าไม่พอมันก็เป็นโทษถ้ามันเหลือไปมันก็เป็นโทษนั่นก็หมายความว่าท่านสอนให้เรารู้จักความพอดีจิตใจของเรานั้นมันจะทุกข์แล้วมันจะติดในสุขมันจะติดในทุกข์ยึดสุขยึดทุกข์ท่านกระเพราะว่ า, วามันไม่รู้จักความพอดีความพอดีนั้นน่ะเป็นปฏิปทาสัมมาปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิปทา เป็นสายกลา ง, ลางไม่ยึดสุขไม่ยึดทุกอันนั้นอันนี้ก็คือความพอดีท่านอยากให้พวกท่านทั้งหลายมองเห็นธรรมะให้จิตรู้ชึ่นความพอดีฉะนั้นท่านจึงให้เป็นผู้มากน้อยเป็นผู้สนันโดษอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่ปฏิบัติแล้วไม่ผิด ไม่ไปต้องไปถามใครทั้งนั้นเรียวกว่าโพชเนมะตันยูตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเจาะป่วนกับซ้ำที่จะมีโรคน้อยอีกด้วยไม่เคยปวดท้องไม่เคยเป็นไข้อะไรทั้งหลายเหล่านี้มันมีอนิสงส์ฉะนั้นปีนี้ ในข้อนี้ผมพยายามมาแล้วสัหลายปีแล้วแต่ว่ายัางไม่พอใจกับวพวกเ พ, พื่อนสหธรรมิกทั้งหลายขัดต่อการพอดีอฉะนั้นปีนี้การแจกอาหารปีนี้ ผมจะให้เอาเองลองดูพัะตุเทศสอนท่ปีใสถือไปดูืว่วยให้พวกท่านทางหลายเอาสิ่งนั้นให้พอดีถ้าว่าคนอื่นเอาให้มันก็เป็นปัญหาบางทีมันก็ น, น้อยบางบางทีก็มากบางอย่างนี้เป็นต้น บัดนี้ผมจะทดลองดูว่าให้พวกท่านทางไหนเอาเองแต่ว่าเอาไปแล้ตรงฉันให้หมดอมเอาไงก็เอาฉันนี้มันหมดในบาทถึงเมื่อบามันจะเหลือเหลือนิดๆใน น, น้อยเป็นธรรมดาของมันต้องพยายามอย่างนั้นถ้าเราอาพสุทศแจก ก็เดี๋ยวบางทีพระทุเทพก็ห้มากบางทีก็ให้น้อยบัดนี้จะให้เอาเองเพราะท่านจะปฏิบัติเองรู้ประมาณเี่ยวของเองลองดูปีนี่เอาให้นักหนักแค่หน่อยเมื่อเอาไปแล้วก็ให้รวมรวมเข้าในบาททั้งหมดนั่นแหละอะไรก็ช่างมันเถอะให้ฉันในบาทจริงจริงอืม ให้เป็นภาชนะเดียวจริงๆให้ฉันอยู่แต่ในบาตจริงๆพวกแกงพวกหวานอะไรทั้งหมดนะเนี่ยถ้าท่านชอบจะเอาหวานเติมเข้าไปก็เอาถ้าเห็นว่ามันไม่อร่อยก็ยาอาอหวานต่อมาปีนี้จะไม่มีถ้วยให้ต่างเอาท่านชอบอาหวานใจก็เอาแต่ว่าให้มันหมด ให้มันพอดีในความพอดีนี่เป็นหลักให้คนอื่นทำให้มันไม่ดูจากความพอดีของเราบัตรนี้ให้เราเอาเองให้ประตเทศถือไปอะไรทุก อ, อย่าง อ, อันนี้เดี๋ให้หมดฉันเดี๋ยวตรวจดลูลงบัญชีไว้ด้วยถ้ามันเหลือมากมาก ตอนเย็นมาก็ให้ตักน้ำตักน้ำคนเดียวนั่นแหละให้ทำจิตวัดคนเดียวหรือสองคนต้องใ้พิจารณาสอบสวนอันนี้ให้เคร่งคัดเพราะว่าเดินทางตรงมันอยู่ที่นี่หมายความว่าอาหารที่มันเหลือไปแล้วนั่นน่ะมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายมันเป็นเดน เช่นว่าคนหลายกลุ่มที่เข้ามาในบ้านเราในวัดเราเนี่ยอาหารที่มันเ็ดเสียดเป็นเนือกจากป่านแล้วเดี๋ยวเราทิ้งซะแล้วเป็นหน้ารังเกียดด้วยแสดงว่าพระเนนไม่รู้จักประมาณในการบริโภคด้วยมีหลายอย่างก็จริงอย่างนั้นด้วยฉะนั้นปีนี้ให้หมดพอดี พอดีโพชนมตันยุตานี้อันนี้ให้ระวังทำไม่ดีปีนี้ที่พยายามทามานี้หลายปีเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้สมปรารถนาเพราะว่าข้อนี้ท่านตรงเลยว่าปฏิบัติให้เป็นปฏิปธานี้ถ้าใครปฏิบัติแล้วก็ไม่ผิด ก็เราปฏิบัติเพื่อไม่ให้มันผิดในเวลานี้เพื่อใช้มันถูกต้องเราก็ต้องทำความให้มันถูกต้องอะไรมันถลง่งโลกเราก็ไม่ต้องเอาถ้าใครพอแล้กกวก็ปิดบาทเลยเอาฝ้าบาทปิดไว้เป็นต้นไม่ต้องเอาหรือไม่ปิดก็ไม่ต้องเอาพอ ทิ่งที่มันเหลือไปนั้นก็เกิดประโยชน์มากดีอันนี้ก็เรียกว่าทำความพอดีเป็นโพชนเนมัตันยูตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแต่พอควรโดยมากมันไม่รู้จักประมาณกันผมเคยสังเกตแล้วอันนี้ข้อปฏิบัติข้อนี้ละบากมาก ปฏิบัติยากมากปีนี้จงตั้งใจทุกๆ ท, ท่านให้รวมเนบาตรไม่มีภาชนะสองอันเดียวนะหวานใครชอบอยากจะตักในบาตรเท้าไม่ชอบก็ปล่อยไปเห็นว่ามันไม่อร่อยก็เลิกมันอย่าเอามันปล่อยมันไป หรือเราอยากจะเอาแตสิ่งหรือสองสิ่งอย่างนี้เราก็ท่านใจเอาซะพอดีผมเคยพูดแล้วว่าไอ้ข้าวเหนียวเรานั่นปั้นเขามาให้มันได้เท่านี้ปั้นไปแล้วให้มือมันจุดกันเลยอย่านี้เท่านี้าวางตรงในบาทรดอมแจ้งกลับนอกนั่นไปประมาณเราเอง ท่านเรียกว่าการฉันนี้การบริโภคของฉันนี้มันเป็นปฏิบัติต่อกันครับชาคนิยนุโยกการนอนความง่วงเหงาเอนอนมากเป็นมีบรจิตใจเศร้าหมองจิตใจไม่สะอาดจิตใจไม่สว่างเราลองพยายามตัง้งจิตยติฐานไว้ในใจของเรา จะปฏิบัติในอปันนาปะปฏิปัสาคือข้อปฏิบัตินี้ไม่ผิดลองดูสักพาาันศามันจะเกิดผลอย่างไรบ้างอันนี้ถ้าว่าไม่มีใครเตือนก็ไม่มีใครสามารถที่จะต้องทำอันนี้เมื่อทำผิดมันก็ไม่ถูกเมื่อไม่ถูกันก็ผิดการประพฤติปฏิบัติของเรานั้น นานเร น, นช้าอันนี้ต้องพยายามการบริโภคอาหารนี้เป็นของสำคัญมากที่สุดเมื่อเราฉันลงไปนั้นอาหารที่มันเป็นภัยกับโรคของเรานั้นเราพยายามคืนลงไปมันจะรู้ถึงที่สุดมันถ้าเราพยายิจารณาอาหาร ถ้าใครพิจารณาอาหารแม่ยไม่ค่อยมีโรคโรคท้องไม่ค่อยเป็นน้อยเป็นผู้มีโรคน้อยที่สุดเดี๋ยวก็นั่งสมาธิก็เก่งทำความเพียรก็เก่งท่านหัวเราฉันไปประมาณอีกสักห้าคำมันจะอิ่มเต็มที่มันก็เลิกมันเสียดื่ม น, น้ำเข้าไปพอดี นี่เป็นที่ประมาณเป็นโปูเนีมตจันยิตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแต่พอควรไม่ใช่ไม่ควรพอควรอันนี้ก็เป็นอปันสกปฏิปทาคือข้อปฏิบัติไม่ผิดประการี่ประการที่สามนั้นชาคณิยานุโยคต้อสอบเ้ืยอความเพียรไม่เห็นแกนอนหมักนะัก ความเพียรในที่นี้ถ้าพูดอย่างปฏิบัติทาแล้วก็คือความเพียรทางจิตความเพียรข้างนอกก็คือการนั่งสมาธิการเดินจงกรมการตั้งวรทั้งรวมนี่รวมของการการทำเพียรไม่เห็นแกนอนมากไม่ใช่ว่าท่านไม่เห็นนอน ให้พอดีเมื่อกันข้อที่สามนี่พระพุทธองค์ต่อมุ่งประสงค์อยากจะให้เป็นสัมาปฏิปทาให้พอดีมันถูกต้องเชิงทั้งสามข้อนี้เพื่อเราทั้งหลายปฏิบัติมันถูกต้องเมืม่อปฏิบัติถูกต้องแล้วจเจริญกรรมาฐานมันก็ง่ายอันนี้คือเครื่องอุปกรณ์ที่เราจะปฏิบัติธรรมะ ให้สะดวกการนอนการนอนท่านกล่าวไว้ว่าวันคืนหนึ่งยี่สสี่ชั่วโมงให้มีการตื่นอยู่ยี่สิบชั่วโมงให้มีการดับหรือนอนนั้นสี่ชั่วโมงให้มีการทาความเพียรอยู่นั้น ยีส่สิบชั่วโมงการกระทาความเพียร น, นี้เราไม่หมายถึงว่าการนั่งอยู่ตลอดหรือการเดินตลอดไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องจิตของเรานั้นให้เป็นผู้รู้อยู่มีสติอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งอารมณ์ทั้งหลายซึ่งมันจะมาพัวพันกับดวงจิตของเรานั้นให้เป็นไปตามอานาจอันนั้นเราจะต้องรู้ เราจะต้องเห็นจิตของเรากับอารมณ์จิตนี้ถ้าพูดตามความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่มีอะไรเราจะชี้ว่ามันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันนะจิตนีม้มันเป็นผู้รู้มันรู้อยู่ตรงไหนก็ น, นั้นนะเรียกว่าที่เราเรียกว่าจิตถ้าถามหาตัวจิตจริงๆแล้วมันก็ไม่เห็น เป็นแต่ความรู้สึกเป็นแต่อาการเท่านั้นอาการนั้นอาการมีความสุขอาการมีความทุกข์อาการรับลู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันมีอยู่ทุกท่านแต่ว่าตัวจิตจริงๆนั้นมันไม่มีอ่ะมันไม่มีมันเป็นอาการอย่างนั้นเท่านั้นฉะนั้นพุทธศาสนานี้จึงเป็นข้อปฏิบัติ เป็นการปฏิบัติทางจิตจะยืนจะเดินจะเหินไปมาที่ไหนก็ให้รู้อยู่ให้มีสติอยู่ให้มีสัมผััญญาอยู่เสมอถึงเราจะพูดจะจาจะไปจะมาจะพบจะฉันทุกเวลานั้นก็ให้มีอยู่ให้รู้อยู่ให้เห็นอยู่ว่ามันเป็นอย่างไรมันมีอารมณ์อะไรมันแทรกซึมอยู่เึืงมีความรู้สึกอย่างไร ควารู้สึกอย่างนั้นถ้ามันเกิดมาแล้วแล้วก็ทิ้งเขาไปในสิ่งสามสิ่ง น, นั่นเองอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันเลยเห็นว่าอันนี้ก็เป็นอันนี้จังทุกขั้งอนาตาเท่านั้นไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นอีกนี้เรียกว่าไม่นอนใจไม่นอนใจไม่ดับแต่ว่าร่างกายนี้มันมีการพักผ่อน ตามธรรมดาของมันถ้าเราฝึกมันก็ทนทานมีกำลังอันนี้มีร่วงตาองค์หนึ่งอยู่ที่บึงการท่านไม่นอนแปดพันษาไม่นอนคำที่ว่าไม่นอนนั่นก็ททานไม่เอากายเอ็นลงไปทอดลงไปเป็นต้นแต่ว่าจิตของท่านตื่นอยู่ ไม่นอนใจอยู่ไม่มีความประมาทอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ท่านทรมานของท่านอยู่ตลอดเวลาหลับอยู่ในตื่นตื่นอยู่ในการดับตื่นอยู่ในการดับเช่นว่าเรานั่งง่วงนอนของกำหนดจิตต่อไปให้จิตสงบ จากสามสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งแด้วเปดื่มตาออกมาความงงงงเขานอนมันก็หายไปหมดอันนั่นก็เป็นอาหารของท่านอันนี้ไม่ถึงกับนั่นอ่ะให้มีสติสังวรสังรวมระวังอยู่และพยายามที่สุดว่าข้อวัดที่เราตั้งไว้ ถ้ามีขึ้นมาแล้วก็พยายามที่สุดให้มันทันให้มันทันให้มันทันข้อวัดสัญญาระคังมีอยู่ก็เตรียมตัวเมื่อระคังเป่งเตรียมตัวผมภาะทำอะไรเลยให้มันเรียบร้อยนอนไอนอนจริงจริงมันไม่นอนหรอก เมื่อเราจะนอนแล้วก็ตั้งสติว่าเราจะไม่เอาความสุขในการนอนเมื่อตื่นขึ้นเราจะประกอบความเพียรเสมอไป น, นี่ไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้การนอนเนี่ยมันก็ถ้าหากว่าใค ร, ใครเริ่บสังเกตพิจรารณาจิตกปนสมาธิใครคกายกวามันไม่นอน นอนกลับไปนอนนอนก็ตื่นอยู่รู้อยู่เมื่ออะไรเสียงอะไรแคสตื่นแล้วรู้แล้วจนวกลว่ากระทั่งคืนนั้นเราไม่ได้นอนแต่ว่ามันไม่หิวมันมีความเบิกบานมีความสะอาดมีความสดใสเพราะมีวอนไม่มีกําจัดมีวอนออกแล้ว ความง่วงเหงาห้านอนเม่อก็ไม่มีถึงนอนก็เหมือนกับไม่นอนไม่นอนก็เหมือนกับเรานอนอผู้ทาจิตได้ดีแล้วเราจะรู้สึกอยู่ทุกขนะล้วนอนอยู่อย่างนี้ถ้าใครใครนอนกัดฟันหรือนอนละมือทั้งหลายเหล่านี้มเมื่อนอนไปก็กัดฟันไปละมือไปบุญเพอ้อไป เป็นต้นอันนี้จิตยังไม่ถูกต้องถ้าคนเคยนอนกัดฟันนอนบุนระมือไปต่างๆนี้ถ้าจิตถ้ามันจิตสงบแล้วเนี่ยมันเป็นไม่ได้มันเป็นไม่ได้หายหมดนอนกัดฟันก็หายคนก็หายนี่ทิ่งแข้งทิ่งขาไปที่ไหนก็หายถึงนั้นมีความรู้อยู่ตลอดเวลานอนดับ ท่านในวัดดับอยู่ในตื่นตื่นอยู่ในดับมันพูดยากอันนี้อืมนอนเหมือนกับไม่นอนมั น, นอนิมนอ่มอยู่แต่ก็ไม่หิวนอนอืมการนั่งสมาธิอย่างนี้พูดกลายปกติของเราถ้ามันง่วงนอนก็ดับตาเข้าทําสมาธิท่านี่พักหนึ่งแล้วต้อมีกําลังเหมือนกับเราไปนอนจ้ะ อือันนี้เลยว่ามันดับอยู่ในตื่นมันตื่นอยู่ในดับเราจะกำหนดว่า น, นอนก็คือหนึ่งคล้ายๆกับเราไม่นอนอย่างเราเมื่อเรานอนอยู่นั่นกำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่เสมอจนกลัวว่ามันจะหลับไปเมื่อมันดับในลมนี้มันก็ตื่นเพราะมันอยู่ เมื่อตื่นขึ้นมาจริงๆเนี่ฟุ้กจิตไม่ยวมกำหนดลมอยู่เสมอเลยเราจะเห็นลมนี่ลมนี่ก็สตินี่ ส, สัพพัญญะแล้วก็จิตของเราเนี่อยู่ด้วยกันคล้ายๆกะเราไม่นอนแต่ไม่หิวแต่ไม่ง่วงนี่ถ้าใครเห็นอย่างนี้แล้วก็จะต้องรู้จักว่าคล้ายๆกะเราไม่ได้นอน มีกําลังสุดสายแล้วก็นั่งแล้วพิจารณาธรรมะธรรมะเกิดขึ้นให้มีปัญญา<ม>นีเดวยว่ามันมีประโยชน์อย่างนั้นชาคริยานุโยคประกอบด้วยความเพียรเพียรทางจิตเพียรยมาตาหูจมูกลี้นตายที่มันเห็นรูปฟังเสียงดวงกิ่นนั้นเพียรยุทธิดรงนั้น เมื่อจิตมันงุนหิดขึ้นเม่อไรเมื่อเกิดจุขขึ้นเมื่ อ, อไรมันเป็นทุกข์ขึ้นเมื่ อ, อไรนั่น่ะที่ทําเพียรนั่นอาทีเราก็ทําเพียรเพียรจะรู้อารมณ์มันนั้นว่าอันนี้มันคืออะไรในความเป็นจริงนั้นอารมณ์มันกระสับว่าแต่อารมณ์มีความรู้สึกเท่านั้นแค่นั้นในพรนษานี้ ผมจึงอยากจะให้พวกท่านทางหลายนั้นทำให้มันจริงจริงจัง จ, งจังทั้งสามประการนี้ดูแล้วยังไม่มีใครพยายามทำอย่างนี้ในปัญษานี้ที่บวชใหม่ก็มีเ่าก็ ม, มีมาจากสถานที่อื่นก็มีอยากจใจทำอย่างนี้ดูนี่คือปฏิบัติไม่ผิดรองดูสินะจะเป็นคาสอนพระพุทธเจ้าหรือไม่ แล้วจงทดรองให้มันรู้จักนี่ในพรรานี้ผมอยากจะยกพ่อวัดทั้งสามประการนี้ขึ้นให้พวกท่านทางหลายพยายามที่สุดที่จะปฏิบัติมันถูกต้องในธรรมสามประการนี้ผมเชื่อแน่ว่าถ้าใครพยายามทำผมเชื่อแน่ว่าจะต้องบรรลุธรรมะแต่ยังในยังหนึ่ง เพิ่มพูขึ้นมาแปลกจะได้แปลกกันอันนี้ก็เรียกว่าหลักปฏิบัติ3ามอย่างนี้ร้วนการประพฤติปฏิบัติอย่างอื่นนั้นในพวกของเรานั้นเราก็รู้ว่าคนมันหลายคนจะทำจิตเราให้ดีถ้าเรารู้จักอารมณ์เราก็รู้จักคนคนตาเรายิ่งเห็นด้วย บางคนก็อย่าไปเพ่งโทษกันเลยอย่าไปมองคนนน้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างโน้น อ, อย่าไปมองอย่างนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราเราจะต้องทำหน้าที่ของเรานี้หน้าที่ของเราคืออะไรอย่าไปมองให้โทษคนอื่นให้รู้หน้าที่ของเจ้าของนี้ก็พอแล้ว อันนี้มันเป็นเครื่องสับสนกันอยู่ถ้าพูดเช่นนี้มันประจักออกไปอย่างแต่ว่าการแนะนำถําสอนกันนั้นเป็นธรรมดาแ้วกระทุกท่านทุกองนั้นให้ท่านทางหลายปรารณาไว้จะเป็นพระเป็นเนรมันที่ไหนก็ตามผมเป็นผู้มาใหม่เป็นผู้บวชใหม่หรือเป็นผู้บวชตามก็ตาม ผมขอประวัณนาตัวของผมไว้กับพวกท่านอาจารย์ทั้งหลายและเพื่อนสถาทมิทั้งหลายว่าเมื่ อ, อไรผมเห็นผิดก็พยายามเตือนผมช่วยผมด้วยเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องมีมนพยายามว่ากล่าวผมได้ผมจะนำไปพิจารณาอย่างนี้ถ้าหากว่าอันใดมันผิดพลาดไปแล้ว ที่เรารู้เท่าไม่ถึงการนั้นครูบาอาจารย์หรือสหธรรมิกนั้นก็มีกําลังใจที่จะช่วยเราแต่ให้เข้าใจว่าบุคคลอื่นที่ช่วยเราตักเตือนเรนี้ให้เราถือว่าท่านเป็นมีเป็นผู้มีประคุณอย่างมากทีเดียวท่านช่วยตักเตือนเรา ท่นสนใจในเราถึงแม้ว่าเราทําถูกอยู่ท่านเขาใจว่าเราทาผิดอย่างนั้นก็ยอมรับฟังไว้ดีแล้วถูกอยู่แต่ท่านว่ามันผิดอันนั้นก็เรื่องของท่านแต่เขาเตือนเราเราจะมีสติขึ้นว่าทั้งผิดทั้งถูกก็ตามเรารับฟังเท่านั้นปราดทั้งหลายนั้น ท่านจะต้องเป็นผู้รับฟังจะพอใจเราท่านก็รับฟังจะไม่พอใจเราท่านก็รับฟังจะผิดหรือถูกนั้นท่านก็รับฟังรับฟังทั้งหมดเพราะสิ่งทุกสิ่งนี้ร่วนเป็นธรรมะทั้งนั้นถ้าอะไรมันถูกเราก็นําไปปฏิบัติให้มันยิ่งขึ้นถ้าอะไรไม่ถูกเราปฏิบัติเพื่อสารละ เมื่อผลที่สุดแล้วมันจะมีจุดรวมกันแห่งเดียวว่าทั้งผิดทั้งถูกนั้นอ่ะเลิกมันทางนั้นเนี่ยอย่าไปยึดถูกยึดผิดเลยถ้ายึดผิดมันก็ผิดถ้าไปยึดถูกเข้ามันก็ผิดอย่างเราปฏิบัติ ด, ดีถ้าดีแล้วก็ตัปล่อยดีอย่าไปยึดในดีนะั้น ถ้าประยุทธ์ในความดีนั้นมันก็เป็นของไม่ดีขึ้นมาอีกเกิดอุปทานขึ้นมาเช่นยกตัวอย่างง่ายๆว่าบัดนี้เราทําถูกอยู่เขาว่าไม่ถูกเนี่ย <Yeah. S 1> เขา่าไม่ถูกเราก็ว่าถูกเขาก็ว่าไม่ถูกอย่างนี้ยันกันอยู่อย่างนี้เมื่อไรไมันจะดวงเอื้อเนได้ ยกตัวอย่างพระอานนท์นั้นท่านไม่ได้ทำอะไรให้เป็นอวัตรพวกคณะสงฆ์ทางหลายเข้าใจท่านผิดว่าท่านเป็นผู้ทาผิดจะต้องแสดงอาวัตรพระอานนท์ท่านก็ขอร้องกสงฆ์ทางหลายว่าผมไม่ได้กระทำเช่นนั้นผมไม่เป็นอาวัตรสงฆ์ทางหลายไม่ยอมเป็นอาวัตรท่านทำผิดท่านขอร้องเท่าไรกับสงฆ์ก็ไม่ยอม อย่างนั้นท่านก็เลยว่ า, าท่านก็แสดงวัดเนี้เนี่ยท่านยอมทิฏฐิมันนะยอมเช่ไมยอมให้สงดีใจเช่เท่านั้นอนิดเดียวเท่านั้นแ่ะถ้าพระอายถ้าพระ อ, อ น, นุ์ก็ไม่ยอมสงก็ไม่ยอมกันมั่นก็แตกสามวักีกันไม่มีประโยชน์อะไรนี่คือคนมีปัญญา นี่คือทำให้เขาให้เขาหายความสงสัยแก้เรื่องทั้งหลายเหล่านี้ทุกสิยงทุกอย่างนั้นทั้งผิดทั้งถูกพระพุทธเจ้าว่าเป็นข้อปฏิบัติเราทั้งนั้นทุกสิยงทุกอย่างในโลกนี้ ม, มันพร้อมที่จะให้เราศึกษาทุกประการ ม, มันมีสิ่งที่ ทำให้เราละทำให้เราบําเพ็ญขั้งแรกท่านก็สอนว่ า, หายยใหายา้ยึดให้ดีนี่พระพุท่เจ้าสอนยึดให้ดียึดอาณาปานุสติยึดอารมณ์ให้ดียึดให้มัน่นนี่ท่านบอกว่อนเห็มัน่นนี่ท่านบอกอย่างนี้ แต่ความเป็นจริงเดี่ท่านบอกว่าให้ปล่อยบางแห่งท่านบอกปล่อยมันบางที่ท่านบอกให้ยึดมั่นถือมันไม่รู้ว่าเราจะเอาอะไรเมื่อเราปฏิบัตินะถ้าผู้มีปัญญาแล้วถูกทั้งสองอย่างท่านบอกให้ยึดมั่นถือมันก็ถูกท่านบอกให้ปล่อยวางมันก็ถูกทำไมถึงเพราะมาถูกทั้งสองอย่างถ้าวิมุตมีก็มีสมมติ ถ้าสมมติมีก็มีวิบุตมันเป็นคู่เคียงกันอยู่อย่างนี้ท่านถึงพูดอย่างนั้นให้ท่านมั่นในศีลให้ท่านมั่นสมาธิให้ท่านมั่นในปัญญาให้มันมั่นกสมุได้ก่อนเถอะเป็นต้นให้มันรู้ว่าปฏิบัติดีก็ให้มันได้ความดีขึ้นมาเป็นต้นเราก็ไปยึดดีได้ความดีล้วก็แบกใคร่าไม่ดีไม่ได้แบกแบกความดีไปอย่างนั้นแหละ ใครมาว่าไม่ได้เดี๋ยวกันทะเลาะกันไปเรื่อยมันเกิดเรื่องเกิดราวเกิดมาปัญญากเกิดขึ้นมาอืมอันนี้มันก็ไม่ดีมันกระนั้นแต่ความไม่ยึดในนี้มันถูกแล้วชั่วก็ตามมันอย่าไปยึดมันอืดีก็จ้างมันปฏิบัติได้แล้วอย่าไปยึดมันแต่เบื้องต้นท่านให้ยึดมันก็ฟังยากเหมือนกันอันนี้อืยึดต้องยึด นว่าตัวเราตัวเราตัวเขาของเราของเขาอย่างนี้เป็นต้นมีอำนาจที่เราจะมีสมมุติอย่างนี้แต่ท่านไม่ให้มีอำนาจที่จะขอไปยึดมั่นถือมันมแค่ค่าก็ว่าแท่งทองมันก็หนักท่อนไม้มันก็หนักแงแท่งทองมีราคา ถารมะหนักเกินส่วนมันกระทบเราตายได้เหมือนกันเราแบกไปนี่ไอความดีนี่ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อเราแบกมันจริงๆแล้วมันก็ทุกข์ผิดตกนรกเลยเลยท่อนไม้มันก็มีความหนักอืมแต่มันไม่มีราคาแต่มันหนักมันทับเราตายก็ได้เราไม่เอาท่อนไม้เพราะมันไม่มีราคา จะเอาแท่งทองอันนี้นะมันมีราคาเอาให้หนักของดีนี่มันก็หนักเหมือนกันเน่ยถ้ามันทับเราเราก็ตายเหมือนกันแท่งทองมันทับเนี่ยฉะนั้นในทางที่ถูกแล้วท่านก็ต้องสอนอย่างนั้นทําไมท่านถึงสอนอย่างนั้นอก็เพราะเรื่องมันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่สอนอย่างนั้นก็กเนี่ย รักความชั่วก็ระกแล้วท่านในปฏิบัติความดีไอ้ความดีเราก็ปฏิบัติแล้วท่านก็บอกว่าอย่าไปติดดีจเจอ้าอะไรล่ะไม่ทําำดีแน้่ไม่รู้ว่าจเจ้าอะไรจะเอาอะไรปฏิบัติปฏิบัติเจ้าอะไรไอ้ความจริงๆลนะ้วปฏิบัติเนี่ยท่านเรียกว่าให้วา ให้วางชั่วรู้แล้วก็วางสักแต่ว่ามันเกิดขึ้นมันกระดับไปเท่านั้นดีก็สักแค่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันกระดับไปเท่านั้นเรื่องเท่านั้นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้น ท, ทีนี้เราจะสร้างความรู้อันหนึ่งเกิดขึ้นว่าอีกเป็นต้นให้มันรู้ดีรู้ชั่ว เมื่อมันรู้ดีรู้ชั่วแะ้วมันก็รักความชั่วแต่ก็คุกความดีเมื่อมันมีความดีแล้วเป็นต้นมันก็ทิ้งความดีไอ้ความรู้ทางหลายจิตของเราผู้รู้ทางหลายนั่นมันจะอยู่เหนือดีชั่วมันจะอยู่เหนือความผิดความถูกมันอยู่อย่างนี้ถ้ามันอยู่เหนือความผิดความถูกมันก็หมดหมดผิดหมดถูก นี่ก็เรีว่าปฏิบัติศาสนละวว่างมันสบายกว่าเระเบียดความดีถ้ายึดความดีมันยังเป็นทุกข์ถ้าเราอยู่เหนือความดีความชั่วแล้วมันก็ไม่มีทุกข์มันก็หมดปัญหาผมเคยอธิบายให้ฟังบ่อยๆว่าเหมือนท่อนไม้ท่อนหนึ่งเราตัดทิ้งเอาไปในคลอง ไตมันไหลด้เวเถอะท่อนไม้ท่อนนั้นถ้าหากว่ามันไปติดไม่ไปติดฝั่งนโน้นแล้วไม่ไปติดอยู่ฝั่งนี้เนี่ยท่อนไม้นะ่ยมันไม่เน่าละลายน้ำท่อนไม้ท่อนนั้นมันก็มีโอกาสที่ที่จะถึงทะเลจนได้การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ผมมันกันฉันนั้น ถ้าเราคิดอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ให้มันถูกต้องแล้วนะไม่เวลาหนึ่งก็ต้องเวลาหนึ่งจะต้องถึงเป็นได้ในการประพฤติปฏิบัตินี้ให้มันง่ายไม่ให้มันกวนวายทำให้ ไ, ไปสำลองเสม อ, ส ม, อมันยุบายเกิดขึ้นมาไ อ, อาความเป็นจริงทุกคนนะ่ะอยากปฏิบัติเพอยากเห็นโน้นอยากเห็นนี่น ถ้าความไม่สงบเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ชอบถ้าความสงบเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ชอบนี่ลักษณะจิตมนุษย์ทั้งหลายเป็นอยู่อย่างนี้ที่นี้่เรลามานั่งปฏิบัติแล้วอยากจะสงบมันก็ไม่สงบเนี่ยเราก็ยิ่งอยากสงบมันก็ไม่สงบเนี่ยทะลองกันอยู่ นี่เรียกว่าทะเลาะกันแล้วคนหนึ่งมันไม่สงบคนหนึ่งก็อยากสงบเป็ียทุกตลอดการตลอดเวลาเรื่องมันเป็นอย่างนี้<ม>เพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นตามมันพวกะเราไม่เห็นตามเรื่องของมันมบางทีก็อยากได้เร็วๆอยากรู้เร็วๆเห็นแสงสว่างเห็นโน่นเห็น น, ون, นี่เห็นนิมิต อ, อย่างนู้นอย่างนี้ก็เข้าใจว่าเราเห็นธรรมแล้ว ปฏิบัติได้แล้วเห็นแล้วนี่แหละมันดงพระพุทธเจ้าไม่มีความประสง์อย่างนั้นถ้าเราเดินทางถูกแล้วปฏิบัติถูกแล้วก็ค่อยไปผมไปเปรียบไปฟังหน้าเอาไว้เป็นอุบายเดียวคืน่นอุบายอันนี้กับพระผมทธเจ้ามาแล้วอย่างอื่นมันทุกข์ยากมันลำบากอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเป็นอย่างนี้ ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นถูกเพราะอยากเป็นอยากมงถ้ามีความอยากจะเป็นขึ้นเดียวนั้นมันก็ทุกข์เดียวนั้นเนี่ยพอมันเกิดขึ้นมาเดียวนั้นชาติเกิดขึ้นมาจะลาปยาธิมันก็เกิดขึ้นมาด้วยมันเกิดขึ้นเดียวนั้นผมจะเคยเพียกให้นักปฏิบัติทั้งหลายว่าเราอย่าเอาตามใจเราเลยปฏิบัตินั้นเอาตามสัจธรรม จริงมันเป็นอยู่นั่นดีกว่าเปรียบนหนึ่งว่าผู้ปฏิบัตินั้นใครพายกขาว่าบุรุษคนหนึ่งอยากจะปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งก็ไปหาต้นไม้มาก็เป็นเรื่องของเราเอามาขุดหลุมเรานี่ก็เป็นเรื่องของเรา เอาต้นไม้น่นลงไปในหลุมนั่นก็นเรื่องของเราเอาดินมาตกนั่นก็นกนเรื่องของเราเนี่ยให้น้ำมันไปก็เป็นเรื่องของเราให้ปุ๋ยมันไปก็เป็นเรื่องของเราการรักษามแมลงไม้ทางหลายนั่นก็นเป็นเรื่องของเราเท่านี้เรื่องของเราหมดแล้วเรื่องสูกตนไม้ที่นี่เรื่องของต้นไม้น่น มันจะโตเร็วหรือมันจะโตช้าน่อย่าไปบังคับมันเลยบังคับเป็นทุกข์ลูกเลิกพยายามไปรู้แม่เมื่อไรมันจะโตนะมันจะรับผลมันนะไปทวงมันวันใดเมื่อไรมันก็ทุกข์เป็นวันนั้นเพราะอะไรเพราะเราทำงานไม่รู้จักหน้าที่ของเราไปทำงานหน้าที่ของคนอื่นเขา คือไปทำหน้าที่ของต้นไม้ต้นไม้มันไม่ต้องการเนี่ยคนไปทำหน้าที่ของมันมันจะทำมันเองคนก็ทำหน้าที่ของคนเจ้าของผู้ปลูกต้นไม้ก็ทำหน้าที่ของเจ้าของให้หน้ำมันไปให้ปุ๋ยมันไปเรื่อยอย่างนี้รักษาบาดแผงต่างๆไปเรื่อยเป็นหน้าที่ของเราต้นไม้จะโตเร็วโตวช้านั้น ไม่ใช่เรื่องของเราจะไปบังคับมันตรงนั่นผลมันแล้วเยธรร ม, มาให้ตัวปปวาชิงทั้งหลายมันเกิดจากเหตุแล้วผลมันท่านไม่ต้องไปห่วงมันเลยผลก็คืออะไรอยากจะให้ต้นไม้มันเร็วเร็วขึ้นมันโตเร็วเร็วขึ้นจะได้เป็นผลง่ายๆเร็วเร็วเพื่อจะได้ชินเพื่อจะได้ขายนี่คิดอย่างนี้มีแต่ทุกข์เท่านั้นคิดเอาทุกข์เท่านั้น เราคิดอะไรก็ะทุกมันนะอืเราจะต้องปล่อยวางมันจ้ะทําการปล่อยวางทําหน้าที่ของเหล่านี้รักษาต้นไม้ไปให้น้ามันไปให้ปุ๋ยมันไปรักษาเมล็ดไม้ไปไอ้ต้นไม้ก็ทำหน้าที่ของมันด้วยของมันไปมันจะโตขึ้นโตขึ้นตามธรรมดาธรรมชาติของมันมันต้องไม่เกี่ยวกับผลมันเป็นผลแล้วเนี่ย ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้ดูเหตุแล้ให้สร้างเหตุแล้ให้แก้ที่ตรงมีเหตุนี้อย่าไปแก้ผลมันเลยเพราะผลมันเกิดจากเหตุนี้ไม่ใช่มันเกิดจากผลผลมันมีมันเกิดจากเหตุนี้แล้วก็มาสร้างเหตุนี้เหตุนี้ก็คือเรื่องของเราเนทีเรื่องเราจะให้น้ำต้นไม้ไปให้ปุ๋ยมันไยรักษามะรงไม้ไป อันนี้คือมันเป็นหิดอยู่แล้วสร้างเหตุนี้ให้มันสมบูรณ์ให้มันบดีบูรณ์เท่านี้ก็พอแล้วเรื่องของต้นไม้แล้วก็ปล่อยให้มันอืเดี๋ยวไปทํามันในหน้าที่มันทําเอาเองของมันเราไม่ต้องไปบีบบังคับมันไม่ได้ถึงคราวถึงเสมาใบประตูของมันด้วยของมันไปแล้วก็ทําต่างคนต่างทําหน้าที่ของใครของมันต้นไม้ทํำทำหน้าที่ของต้นไม้ คนที่ปลูกต้นไม้ก็ทำํำตามหน้าที่ของคนปลูกต้นไม้ถ้าเราไปทําหน้าที่ของต้นไม้แหมมันนานโตด้กว่านนะไปดึงมือขึ้นอยสิให้มันสูงให้มันโตขึ้นตายไม่ใช่เรื่องของเราปล่อยอย่างนี้นี่ก็เหมือนกันันั่นเมื่อเราทําศีลเท่าดีแล้วเมื่อเราพยายามสมาธิของเราดีปัญญามันเกิ ค่อยๆทำไปอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้คิดในอย่างนี้มีหลักเสียเเทียบอย่างนี้สบายเลยอันนี้อาศัยการเพื่อกูลเรากับต้นไม้ต้นไม้จะดีจะงามได้ก็เรามีความเรื่อกูลตรงกับต้นไม้เป็นปฏิปทาเนี่ยเนเียบเป็นตัวเร็วตัวชาติจให้มันเป็นไปเองของมันตามธรรมชาติ เราเนี่ยตัวมันกันมันจะรู้เร็วรู้ช้าติ้วก็ปล่อยให้บุญวาสนาบารมีของเราแต่อย่าไปทิ้งเฉยๆนะจะต้องสร้างบารมีเรื่อยๆไป